คือมีจุดปรุงแต่งเป็นอารมณต่างๆโดยเรามีรู้ตัวเนี่ยความที่เรารักษาให้เราไม่ผิดในทางการวาจาใจเนี่ยจะทำให้เราไม่ทำบาสนะครับต่อมาก็คือให้มาทำรักรไม้ถึงพ้องมันรักเราไม่ถึงพ้อเนี่ยก็มีบาปมีไม่บุญทีย่สุสิก็คือความที่เรา ให้ทานนะรักษาสีะจะเจริญภาวนาสามอย่างนะครับกเป็นการตรงนี้แล้วให้ทารรักษาสีจเจริญภาวนาเนเราก็ได้มาปฏิบัติตามกั น, นะต่อมานก็คือให้เรามีควา ม, ามอดน้อมถ่อมตนนะเรามากราบพระมบูชาพระเราเก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไหว ทุกวันที่เป็นความอนมนของคนอของเราไม่แผ่กระดานนะ้าเนะก็พยหาใไปแล้วก็พยายามก็กไม่ไม่เป็นผู้ที่เข้เถียงใครไม่เป็นผู้ที่เยือะดีกจองของไม่หมดทีหมดเกลี่ยเป็นการนอ ก, นอก ฝากสามาีฝากมาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกอุทนานะตรงนี้เราเปา็นฝากเานะเนี่ยตอนนี้เราเราได้บุญจากการที่เราทาบุญเรามีนีแหละไปมอบใกับเขาเกลือแก่้วเขาไปดูทิศให้เขาเนี่เยเป็นบุญทั้งนั้นเลยนะบปรากว่ า, า, าเมื่อไ้บุญไปได้ไค น, น, น, น้อยลงไม่ใช่ะนะยิ่บุญยิ่งนะบุญจะยิ่งเยอะขึ้นเพราเราไดบุญจากการที่เราที่เกิดบุญนี้ด้วย ต่อมาเราก็พอลูกเราถามเราคุณพ่อคุแม่เราในบ้านมโนธรรมบอกถามผู้ขับรถมโนธรรมนี่นะหรือไม่เราพูดแบบนั้นก็ได้ถามนู่เฉยๆก็ได้นะหรืออกว่าดีแล้วนะหรือเห็นด้วยอย่างตามนี้คือคำถามทุกหมดเลยนะคือหมายความว่าเเห็นด้วยเขาเขาดีแล้วเขาใจแล้วเขาก็ได้ปุณณ ทำใหคนที่บ้านเราถึงแม้ก็ไม่ได้มาปฏิบัติมเราเราก็ได้บุญในสวนแล้วแา่การที่เข้ามรงานุชิที่เราได้มาปฏิบัตในครั้งนี้ครับหรือถ้าเราเห็นใข้ทำบุญนะราก็จะจันทรตตานถวายววัดหรือถวายสิ่งของถวายสารทานถวายพระทาน่าๆถ้าเราไม่มีประวัติกันไม่มีปัจการมากเพียพอหรือไม่ได้นาสิ่งของถวายก็ไม่เป็นไรเราตั้งใ ก็เป่ถึงคำที่เราพูดได้แลก็ไม่ไปทำนะหวังมัจะมโอกาดีว ก, กว่านี่ข้อมูลที่เราขอเข้าไปบ่อยมันจะออกมาแก็จะไม่ไปทำทั่วเองนะเพราะตรงนี้เราก็ทำได้แล้วอ่าออมาคือตามรรมธรรมนะความธรรมนี่าเกิดติเกิด ส, สมาธิเกิดปัญญาเกิดความโกรธใครั้ันนะก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการโกรธใตัมันะเาเรียว ก, ก, กนะวา่าถูกตารไม่ได้ ปัญญาเกิดจากการฟั่นทพอเราปั่นทำเราก็เข้าใจธรรมะกินเราก็ค่อยๆออกทิเลสออกจากการที่ว่าจมอยู่ในความทุกข์ต่างได้ง่ายขึ้นนะลกผลทางการทำลุกผลทางแห่งสิ่งเสสมาธิปัญญาเนี่ยนี้คือบุญจากการปั่นทำเนาะวันนี้ท่านตอนกลางได้มตรงนี้อยู่นะทุกท่านปันทำอยู่ต่อมาก็คือการทาความเป็นตรง ความปักแห่งคก็คือเป็นสมาธิปีนั่นเองรู้ในนตสสติคือทุกสมุทยัยโลภนะรู้ว่าบาปุคุณโทษมีจริงกรรมมีจริงถ้าหน้ามีจริงลโลภสวนมีจริงกรรมที่เราทำไว้นะพะพุทธเจ้าบอกว่าผู้ดใดทำถิ่นใดก็จะรับผลเช่นนั้นผู้ใดวางเื่อปลกขึ้นใจก็ไม่รับผลเช่นนั้น Yeah. ความกาควมุกการคความทุในสตวระวันเองนะความทุกในสางานี่แหละนะความเกินภามแก่ความเ็บความตานี่มันเห้คนะ่านี้คือความุกข์จกินในหาการต้องมองให้เห็นนะว่าัแก้ไขไม่ได้ด้วยเราแก้ไขก็เื่อคาวให้เราเ่นตไปกินเปียอยู่ใหม่่วในนอนก็ต้องห่วใหม่นะรัเดิน ทุกขังใจความทุกขังใจคือใจที่มีความโกรธความโกความหองเป็นความทุกขังใจเราอยากได้สิ่งใดนะเราเป็นความทุกข์แล้วนมันไม่ใช่ว่าเราท้องการสิ่ั้นวามทุกข์อะไรก็บ้าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์ความโกความตั้งใจลำความไม่สบายใจสบายใจความพัดแพ้ใจก็เป็นทุกข์ความปั้นหนาสิ่งใจไม่ได้สิงนั้นก็เป็นทุกข์ ความก็ตกกับสิ่งไมรักก็เป็นทุกข์ความขัดข่ามการสิ่งรักก็เป็นทุกข์ว่าโดยโลกตาตาขัทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นไ่มความทุกข์กายทีกขใจมันตอดกาลนะความทุกข์ใจเนี่ยมันมีมากจนเป็น่าตุตายแต่ว่าคนที่าตุตายนั่นแะเขามีความสมบุรณ์ทางร้างกายมีร่าการเป็นดีแต่เขาเป็น่าตุตายเท่าไหร่เขาก็มีความทุกข์ให คนที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมีความทุกข์ยิ่งกว่าคนรู้กายนะเราก็ได้ยินข่าวกาคนที่แข็งแกรงสมบูรณ์แบหรือนะว่าคนที่มีโรคกาบอดพิการนะคนที่เป็นลาไ่ไร้ตัเวเป็นภพเป็นพักตายตรงนี้ไม่เคยมีนะมีน้อยมากรวมคนที่นะมีร่างกายแข็งแกรงสมบูรณ์แล้วแต่ว่ามีความทุกขนะ์ทันใจนะอารมณ์โทรมีทิ้งพังงา น, นทิ้งโรคการทินะ้งเป็นภาพต่างๆป็นแยเลย หรือบางคนตั้งรวยผ่า น, นคุณไปไม่ไหวเขาไปฆ่าตัวตายเขาก็มีความทุกข์ทางใจเอ ง, เองนะ mm hmm. วามทุกข์ทางใจนี่มันรุนรงกว่ววววาร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจใแ ก, แกได้นะแกได้เพราะเป็นอะไรเป็พระราษฎร์นี่แห ล, ละพระรามนี่แค่แกความทุกข์ในทางใจไดแล้วนะแต่วามทุกข์ทางกจนั้น ม, มีอยู่นะเนี่ยตรงนี้ถึงว่าการประคำนี้ก็คือเราแกทุทาง ใ, ใจกันนะ ทำให้าจเราเนี่ยจิเหนื่อ้อยลงนะรู้เท่าทันงานอดิศรที่มายวิภูมิแตกต่างๆเนี่ยจะทำให้ความผู้ค่าันใจลดลง ลิ้งเขี้ยวต่างๆนะอันก็คือเรารู้ในจิตจวบังเองนะแต่เดี๋ยวเราเลิกแบบนี่ไปรูปเนี่ยเราก็ไปเข้าทำงานก็รู้ขณะที่ก็ต้องเรัรัก็รู้นะเดี๋ยวบางไปแปลว่าปราหน้าก็รู้เขาันะอาจจะปนตักข้ารู้เันเป็นกวาดพื้นรู้ขณะเป็กวาดื้เนี่ยที่เรารู้ในจิตกดใหญ่จิตกดย่อยเนี่ยเป็นการเกดติดานีอยู่แล้วนเพราะนั้นติดติมฐานปีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไร เรื่องในที่ประจาวาเราเป็เราทำไปขนาดนี้เรารู้ไหมเมื่อก่อนเรไม่รู้นะเราเดินแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินนะครับนี้เขเรียกว่าเราหลงไปใช่ไมไม่รู้ขนาดารเดินเมื่อกอน ควาปวดเมื่อยมก็เป็นแค่กายเป็นเรานะพี่ัได้มองเห็นเป็นมาเป็นก็เป็ส่วนหน่ีเป็นเรามันก็ที่การเนีมือน่านนอนก็เป็นเรานะเก็เห็นว่าเป็นแค่ยืนเดินนั่งนอนเป็นเราเพราะนั้นความรู้ความนราู้ทุกปวเมื่อยตังเอก็เป็นแค่ตังรี่ว่าความปวดเมื่อยไม่ใช่ตัวไม่กนของเรานะต่อไปในทางจิตนะทางจิตใจนะก็คือจิตตังปาราบอกว่าจิตมีลาภ หลัความจริงนะจ้เลยบอกว่าจิตมีลาภก็ทาสมลาภจิตมีโทสะก็ทางสมโทสะจิตีโมก็ทางสมโท่านได้บอกนะครับการเรียนรู้ความจิตโทสนมีอะไรอยู่ในใจเรามีความโลภเรียนรู้ทางมีความโลรธียนรูทางมีความโกรธเรีทมีความมีพอใจเรทาไหมนะรอโอ้นี่อยากจะไปเข้าห้องน้เลยอะไรตื่นเวลานะครับก็เรีนรู้ทาง้ความมีพอใจอยู่ในใจเราแล้วนะ นี่แหละคือสิ่งอารฟังนใจเรารู้ันมนยเรารู้ทันเมื่อี่ฟังใจกิดในใจทุกเรารู้ทันเนี่ยนี่หลคือการเกิดวมนะเ อ, อีวอาโอ้ีเราฟังทัน้นมีจเลยนอะ่มีัข้อแก้ามมาที่เรารู้ึกฟังเรารู้ไม่ว่าขณะที่ฟังใจเกิดขึ้นในใจเราแล้ว ไม่ตัวไม่คนยึดถือคนาดตัวตัวเราเผานะเข้มามนะาเราไปนะรู้เท่าทันอย่างนี้ไงอจะมียึดว่าเราปวดเราลเราช้ำนมะตอที่เราเกลียดเอเลยเราปวดเอเลยราลกันงเลยีเเเลย่เป็นตัวเราอยู่นะเป็นตัวเราเปาน็นลากเป็นช้ำเป็นโกแต่เวลาผ่นเพื่อเห็นความิว่าไม่ใช่ตัวไม่คนของเราเข้มาม า, า, า, นะนะนะาเราไปเป็นความเที่ยเป็นความทุกข์ทรมานนะแค่เราเกิดเป็นยานมาแล้วนะครับ เพะการรทั่ก็คือกลัมไความคิดว่าขณนี้มี่ารถึงนการเล่นการเลาเราเรารู้ทางไหมว่าเขาไม่ควรกเราเข้มเกแล้วมันกินี่ได้ปล่อยจะได้วางจะได้มีดิ้ติดนะการกท่เยที่วางนะเราต้องา บามีความไม่สายกายบายใจตามระเทศเรารู้ยาวนะราจะเริ่มติตั้งรเทนว่าอยากปะเทศก็คือรู้ตังตั้แล้วรู้เป่อยรู้ยาวรู้ตตั้รู้ไปิ่อยันเองนเ ความคิดเกิดแล้วเนี่ยความคิดเกิดแล้วนี่เรติแล้วนะมีความกรธเกิดขึ้นเราเนี่ยเติแล้วนหรือการรู้ขณะที่การู้ตั้ง่ปัจจุบันนี่คือเรติแล้วคือการที่เรารู้นะการการรู้ความยากงคือความตื่นตะเวะความเรามีความรู้ตัวไหมั้ปารู้ตัวไหมไม่ไดั้งต่ปไปั้งแ่ับี่ Okay. แต่ว่าเราใหม่เราสุคธาตรู้ขึ้นมานะเราเปินไหวยกมือเรารู้เนี่ยสุคาพรู้หรือว่าเรามีความคิดนะเอเราคิดไปถึงเรื่องเราเรารู้เราคิดเลยแต่ว่าไหมนะเราคิดไปตั้าของเนื่งเรารู้ถามเออคิดไปแล้วน่าจะสรู้ขึ้นมานะเราไปคิดเรื่องหน่เรารู้แล้วเรื่อคิดเรารู้แล้วอยกมงเราคิดขึ้นเรื่องหน่เรารู้แล้วเนี่ยสุคธาตรู้ขึ้นมาคือรู้ว่าทันท้การมีความคิดเกิดขึ้น คิดเป็นสิบทางกาพันเตจิงเรื่นเื้นเก้าพัเลยนะนะแต่ารก็รู้อว่าริงจริงมัน่ะเพราะฉะนั้นเราจับใจว่าไม่ได้ให้ิดงงแก่ว่าเป็นการมหากเราพยายามดูใหโตขึ้นมายิ่งเชื่อคินเราดูเยอะเนี่ยตรงนี้เราขาดมากนะรู้มาแล้วเราทก็กลับมาที่การเป็นวิธีการรู้มันนั่งดื่มนั่งนอนนั่งยกเอกลับมารู้กันเองนะ ก็เร่องาเา้าดแลไม่ใช่ว่าเราลุกป่นก็หายหดเลยผมไปตรงนี้แค่ดเลอดะเาะัไงเราต้องบูทางดู้ได้นะอย่าไปโตควาคิดนะ ควิดนั้นไม่ไโอ้ยยิ่ดิ่งมั่โอเป็นเพือคินั้นไม่ถูกเรารู้ขนดคิดม่จบแล้วไม่ได้เป็เ่อเราคิดตอนนี้คิดถึงป้าเป็นยังไงต่างาอะไรอยู่เราเป็นเื่อคิดหนาไเราไม่ปปลูกแต่เราหายจะรู้กาคิดป้าเรารู้นะครับคิดปุ๊นี่หลางทปนะเป็นเอเรคิดต่อนะเาคิดต่อเป็ต่างรู้สุดตัวลยนะกลับขึ้นไหวมือกับเดินใหม่เนี่ยเขาเป็นดับเองนะไม่ต้องเลยคอยช่วยกาับแต่เขาดัรู้เรไับ ไเเราลังเราคิดทุเรื่ทางเลยคิดวกรู้ทางเห็นความเกิดและความดับของความคิดความคิดเกิดขึ้นเกิดูทางัดับเ่เป็นความเกิดดับพอยดูความเกิดดับบอยรู้ว่ามันเป็นอย่างเราเนี่ยความคิดเราได้ตั้งต่ที่เราแวกเกิดต้เด็กเนี่ยตรงนี้นะเอได้เกิดปัญญาขึ้นมารอทุกอย่างบารมีทางม้มีแต่ความเกิดความดัดเัเองนะต่อมาเเห็นบอกว่าไห้รู้สอลูกโซ่นะ กูจะต้องตัวต well ัที่ไหนกืนอะเ้าลทั้วันนี้แหละตัรยไม่สาไที่อยู่เคไดผมก็วลาไหนต้ับาที่ตนอนเาอนเลยแต่ไม่ว่าเราตั้งกว่าตือนอนเข้านก็ไม่จั่นะเรลาบางคนก็ตื่นนอนตื่นเข้านไม่ใช่หมวาว่าเราตื่นขึ้นมา นี่แหลนี่คือาเลยนะปัญาู้ทองท่เกิดในการเราได้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะเราจิตม่ถึงแล้วนีพอเรารู้เราปเราไม่ไปหาาตัดเนี่ยเราอันนี้เราไม่ได้สร้างควาริเกิดขึ้นแล้วนะนี่หละินเราอยู่คนตรงนี้ครบเพราะนั้นเราต้องปูกทําให้เกิดบ่อยนะนะนเราไปบ้าโอ้เราจะเห็นว่าเราละคนเยอะเลยนะูปหลานอะไาอยากจะไปหาก็ไปกอดเขาไปําไป ความรใจไหมเมื่ออนราม่เห็นความรกใใจเราแต่เเห็น้พอเเ็รงู้ความรักเกิดขึ้นในใจเราได้ภาพต้นเกิดในใจเราเรารู้นอที่เรามฟันตักเกิดขึ้นว่าเราจะไมไปรักนเก่านะมันจะงรัแต่เราไม่ปกพันเงินเกนี่คือกัญญาเกิดขึ้นพอท่านดื่นแล้วนะเพราะความรความใจความอใจในในปความเตค่มื่อานู้ใใจเราเกิดขึ้นเราดูธรรมี่เราปรักนะก็เเขียนก็เลยทำเลย นี่คือปัญญาปัญญาเราตนทุกได้เขาความกความทันก็คือความทุกข์กบเตุตอนนี้ก็ว่าปัญญาอยู่ที่นะอยางที่ก็คือให้เราตื่นควาปบ่อเพราะฉะนั้นใครอยที่เนี่ยจะเสริต่อว่าเกิดขึ้นก็เลยรอู่ที่ตั้งตาแล้วก็ร่โหลในความคิดเลยคิดเป็น่นคิดนนี่คิดเรื่อยๆคิดเรื่อเพราะเรา่งีนี่พา้เลยการความคุ้มตาการความอะไรก็ได้ลอย่าง หรือไม่ปรนนั้นี้ก็ไปทำถิ่นกระบอเลยเป็นสมถะเป็นคอยเป็นคอยเท้งอยเจาะก็มีนะแต่ว่าเรากะเป็นก็มาแก้ว่าเือยามันเป็นุ้งซ่านเป็นตป็นสมถเป็นคอยเท้งก็คือไม่เป็นเทงต้องไม่เป็นโลก็คือทำก็ให้เราตื่นไวรู้สึกตัวนะมีการสร้างการกตมีการที่มขึ้นที่ลงมีการขึ้นนิ้วต่างต่างนี้ก็คือเราอยู่ที่งเรงนะหืออาการทัากวาดตาหูมาก็รู้ไปขนา การน่อยู่นิ่หาเรว่าเราทำไปแล้วเรารู้รู้แม้ว่าเรากระทำในโครงการนะเรารู้ว่าวครงการนั้นเราอยู่นิ่งนะแต่เรั้งยกคือไปอยู่เราไปคิดคิดเปนู่นคิดไปนี่เรารู้ไูาคิดแม้ว่เรายกมออยู่นี่คิดว่าเรากาลังอยู่น่งแล้วเขาความจร่งก็คือเราทาไปเรารู้ทในทางวัฒนธรรมนั้นมีความ่ิดรู้ทางมีรถแู้างนี่เรลคือการอยู่นิ่งนะตรงนี้เราถ้าเราเข้ใจเรอเรารูว่า แม้แต่เราดูนิดๆนะแต่เราต้องตัวทแเราตั้งอ อย่างว่าเราทาเป็นฐานก็ไม่ได้จริงๆนะเพราะวันเราไปแบบดีก็รู้สึกตัวทุกวันเลยแต่วันนี้ทำไมรู้สึกตัวตอนตัวเต่าเนี้ยหรือมันไม่รู้สึกตัวเนี่เราทาเป็นฉากไม่ได้พูดจริงไม่เที่ยงนมันเพรงะวาเวเรานการเราังงานเขาบอกว่าปวดเมยบาีเปวดม่อการเดินได้เราท่ความเดินไม่ได้ก็เป็นความทูกเดินนเราเปความทูกข์งั้นก็ไปเท่าเดินได้ก็นันี่แมันตรงเนี้ยมีคือความทุกเราเห็นแา่ความไม่ที่ความทูก การรักษาคือเาลประา้กัได้ความคี่ลงยาพิโก้พิโกเอนะเขาก็ปวดเข้าเาทั้เขเองนะเขาไปเลยซมไปบ่อยเห็นว่าตรนี้เราละพระประชาริดตามกด้เลยบางทีมีความเกิดความกับทุกทีไม่โผล่ไม้โผล่ของเราตรงนี้สอดคล้พอเราเห็นตรงนี้กุ๊บเราจะปล่อยเดีววางแล้วพิโติดว่ากายกาของเราพอเราปล่อยราวางแล้วตรงนี้ เราไม่มีสมบัติเราไม่มีสามีไม่มีพ่อแม่ของเราแต่ก็มีนะเราก็รู้ก็มีร้างกายก็มีก็มีไปแต่มันไม่เป็นเราตรงเนี้ยราไปออกกับการเราถึงได้เราการที่ถึงได้กิกเกินัถุของใส่กินเจกินเกลยดต่างต่านี้